สัมมาสัมพุทธัสสะนโมตักสสะปะควะโตอรหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมจัสสะปะควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะสมะวิปัชนานังภาวนาณมิโตบรลันติอิมัสสะธัมมะปริยายัสสะ อัโทสาทายสมมันติสกจังโซตะโตีบัดนี้จะได้แสดงระธรรมเทศนาภรณาศาสนาธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านสาธุชนผู้สนใจในการปฏิบัติธรรมหรือผู้สนใจในการฟังธรรมเพื่อประดับความรู้การฟังเทศหรือการฟังธรรมก็คือการเรียนธรรมเรียนธรรมให้รู้เรื่องของธรรม ทำไมเราจรึงต้องเรียนธรรมที่เราต้องเรียนธรรมก็เพราะเหตุว่าธรรมเป็นเรื่องของเราเองเคยในเทศตก็บ่อยๆว่าธรรมะอกายกับใจกายกัดใจเป็นสมบัติของเราเราจำเป็นจะต้องเรียนรู้เรื่องของกายและใจเพียงแต่อาศัยกายกับใจเท่านั้น สามารถที่จะมีหลักสูตรแทงการศึกษาแต่แยกออกไปจนนับไม่ทวนไม่ว่าการศึกษาการเรียนทางโลกและทางศาสนาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทางโลกและทางธรรมก็ล้วนแต่อาศัยกายกับใจเป็นหลักกันทั้งนั้น เราพาปฏิบัติธรรมามาเรียนทำก็เพื่อกายกับใจทำงานทำการเพื่อผลประโยชน์รายได้ก็เพื่อประโยชน์แก่กายและใจไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเพราะเรามีกายและใจเป็นภาระที่จะต้องแบกขามจะต้องบริหารบำรุงรักษากายก็ต้องบริหาร ด้วยการให้รับทานด้วยการออกกำลังกายด้วยการพักผ่อนและด้วยการทำงานจิ ป, ปาถะเป็นเรื่องของการบริหารร่างกายลำพังแต่สูตรหลักสูตรของการบริหารร่างกายเท่านั้นเราก็เรียกกันไม่จบแล้วนอกจากจะได้บริหารกายแล้วยังต้องบริหารใจ โดยธรรมชาติของจิตของใจนี่จะอยู่นิ่งนิ่งอยู่เฉยเฉยตลอดเวลาเป็นไปไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นเราจึงมีการบริาหารเช่นการบริหารใจก็คือการให้มีการศึกษาเ ร, าเรียนเช่นเรียนหนังสือจนอ่านออกเขียนได้ เรียนจบมหาวิทยาลัยมีภูมิความรู้สูงสูงอันนี้เป็นการเรียนเพื่อบริหารใจเพราะความรู้ทั้งหลายเป็นกิริยาของใจเมื่อรู้แล้วก็ต้องคิดต้องพิจารณาต้องค้ น, งคนฟวา การคิดการพิจารณาทั้งหลายลเหล่านั้นเป็นอุบายวิธีบริหารใจฝึกขัดใจให้มันรู้จักทางานถ้าเราจะไปฝึกใจใจให้มันอยู่นิ่งๆโดยไม่ต้องให้มันคิดอะไรสบายดีเหมือนกันคนไม่มีความคิดสบายมากแต่แล้วถ้าเราฝึกใจให้มันอยู่นิ่งๆโดยไม่รู้จักบริหารให้มันรู้จักทางาน นับเข้ามันจะกลายเป็นใจที่หย่อนสมรรถภาพไม่มีสติปัญญาดังนั้นเราจึงมีเมีอุบายวิธีที่จะต้องฝึกต้องบริหารใจให้มีพลังงานการฝึกการบริหารใจให้มีพลังก็คือการออกกําลังนักเรียนนักศึกษานักทํางานที่เหน็ดเหนื่อย ออกกาลังด้วยการเล่นกีฬาต่างๆดังที่ท่านทั้งหลายก็ได้สั่งอยู่แล้วแต่นักปฏิบัติธรรมหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งนัก บ, บวชก็มีการบริหารร่างกายด้วยการการยืนเดินนั่งนอนซึ่งเรียกว่าเปลี่ยนอิริยาบถศรีระยนสกลร่างกายของเรานี่เป็นอยู่ด้วยอิริยาบถสี่ อิริยาบถสี่นั่นเป็นการออกกำลังของร่างกายเป็นการเล่นกีฬาของนักปฏิบัติธรรมเรีกว่าเล่นกีฬาอย่างสุภาพอ่อนโยนอาศัยการเดินอาศัยการนั่งอาศัยการนอนอาศัยการยืนยืนเดินนั่งนอนเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถ หากเราเดนก็อยู่ในอิริยาบทตดินนั่งในอริยาบทนั่งนอนในอิริยาบทนอนเดินในอิริยาบทยืนอันนี้เป็นการออกกําลังกายเป็นการบริหารร่างกายนอกจากจะเป็นการบริหารร่างกายแล้วเรายังถือว่าการเดินจงกรมก็ได้บุญการนั่งสมาธิก็ได้บุญ การเดินทมสมาธิก็ได้บุญการนอนทำสมาธิก็ได้บุญเดินเดินนั่งนอนเป็นเรื่องของกายแต่การทำสมาธิเป็นเรื่องของใจหรือจิตตอนนี้เรามาถึงเรื่องของจิตการบริหารจิตการบริหารจิตนี่เรามีวิธีการที่จะฝึกเย็บเป็นหลักปฏิบัติอยู่ในหลัก ใ, ใหญ่สองประการ คือหนึ่งสมถะวิธีเรียกว่าวิธีการสมถะคือภาวนาหรืออบรมจิตใจบริหารใจด้วยอุบายวิธีด้วยวิธีการสงบซึ่งเรียกว่าสมถะและการที่สองการบริหารใจหรือการบริหารจิตด้วยวิธีวิปัสสนาคือสปิขาจิตให้มีความคิด จิตที่มีความคิดนั้นนอกจากจะเป็นการบริหารจิตแล้วยังกลายเป็นการให้อาหารแก่จิตความคิดเป็นอาหารของจิตจิตกินอาหารทางความคิดซึ่งเรียกว่ามโนสันเจ ต, ตน า, าหารอาหารคือมโนสันเจ ต, ตนาความจงใจ ในเมื่อเรามีความจงใจที่จะใช้ความคิดมาเมื่อไรเมื่อนั้นเป็นการบริหารใจเป็นการให้อาหารแก่ใจซึ่งโดยธรรมชาติของใจแล้วเขาก็คิดของเข้าอยู่แล้วในขณาที่เขาคิดของเขาเองโดยที่เราไม่ตั้งใจคิดนั่นแหละเขาฉวยโอกาสหาอาหารมารักทานเอง แต่ในบางครั้งเขาต้องการรับทานอาหารมากๆคือเขาคิดมากๆเราก็ไปเกิดความหงุดหงิดลำคาญว่าทําไมถึงคิดมากฟุ้งซ่านเหลือเกินอยากจะอยู่เงียบๆสงบนั่นเป็นการเข้าใจผิดเป็นการไปตัดคอนพลังของจิตของใจเป็นการตัดคอนอาหารของใจในเมื่อใจรวงนี้ไม่ได้อาหารบริโภคมันก็เกิด มีพลังอ่อนกลายเป็นจิตที่ผอมโซ่ซึ่งเรียกว่าจิตเป็นจิตไล้สำนึกบ้างเป็นจิตที่หดหูบ้างซึ่งแล้วแต่มันจะเกิดขึ้นเพราะเราไปตัดอาหารของมันดังนั้นสมถธกก็ดีวิปัสสนาก็ดีจึงเป็นวิธีการบริหารจิตเป็นอาการเป็นการให้อาหารแก่จิต วิธีการให้อาหารแก่จิตด้วยวิธีสมถะคือบริกรรมภาวนาหรือการเพ่งกสินจุดมุ่งหมายก็เพื่อที่จะยังจิตให้เกิดมีความสงบและการบริหารจิตด้วยการวิปัสสนาวิธีคือการใช้ความคิดพิดจรารณาจุดมุ่งหมายก็เพื่อจะเป็นการบริหารจิตทำจิตให้มี ตามสมางบเพราะฉะนั้นสมถาะาก็ดีวิปัสสนาก็ดีจึงเป็นเื่อของวิธีการบางท่านอาจจะเข้าใจว่าการปฏิบัติภาวนาหรือทำสมาธิต้องทำจิตให้สงบเป็นสมาธิให้แน่วแน่จนกระทั่งได้ทานหนึ่งสองสามสี่หรือได้ทานสมาบัติแล้วจึงค่อยเจริญวิปัสสนา อันนั้นก็เป็นการเข้าใจถูกให้ผิดและบางท่านเข้าใจว่าการปฏิบัตินี่ไม่ต้องรอให้จิตมันสงบปฏิบัติตามแบบปีปัชนาคือการทำสติตามรูปการเดินเดินนั่งนอนรับทานดื่มทาผู้คิดและเป็นการเหนียวเอาอารมณ์ต่างๆมาพิจรดาเช่นโลกขันโดยตามโลกเป็นต้น มาพิจารณาน้อมก็ไปในงแง่ข้าตรายรักเกลื อ, อนิจังทุกขังอนัตตาคือใช้ความคิดเป็นเรื่องเป็นลาวขึ้นมาจนกระทั่งิตสงบลงเป็นสมาธิดังนั้นการปฏิบัติตามแบบพิธสมัมมถะก็ดีตามแบบพิปัสนาดีจบมุ่งหมายในเบื้องต้นเพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิ เป็นสมาธิที่ประกอบด้วยองค์คโทมีวิตกวิจารณ์ตีติสุขเอกับขา้าตาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์โทวิตกวิจารณ์ตีติสุขเอกับขตาเป็นสมาธิที่มีพลังงานพอที่จะบันดาลให้จิตเกิดมีสติสัมปชัญญะมีปัญญาปฏิวัติตัวไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมได้ นักภาวนานักทรรมสมาธิเรามีจุดนักทบกันต่างคนต่างภาวนาคนละแบบคนละอย่างส่วนหลัก ใ, ใหญ่วิธีการใหญ่ๆก็คือภาวนาตามแบบสมถะวิธีหนึ่งภาวนาตามแบบปิปัจฉนาวิธีหนึ่งอันนี้เป็นหลักการใหญ่และเป็นวิธีการใหญ่ทีนี้หลักการและวิธีการย่อย ก็ภาวนาไปตามความเข้าใจพุโทโธสัมมาอะลาหังยกหนอพองหนอหรือใครจะตั้งใจคิดพิจารณาสภาวธรรมให้มองเห็นเป็นสิ่งปฏิโกณน่าเกลโอกโกรกหรือว่าเป็นอนิจจทุกของอนันณาก็ตามแต่จะถนัดการปฏิบัติด้วยวิธีการดังที่กล่าวมานั้นใครจะปฏิบัติแบบไหนอย่างไรก็ตามเรามีจุดนัดพบกัน เราจะไปพบกันตรงที่สมาธิที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งมีลักษณะจะพว่มีปรากฏการเกิดขึ้นในสองอย่างอย่างนึงจิตสงบวอกวาดลงไปโดยที่เรากำหนดอะไรไม่ทันไปรู้สึกตัวเอาเมื่อจิตนิ่งสว่างเป็นสมาธิมีความรู้สึกตื่นอยู่ภายในอันนี้เป็นสมาธิแบบพลุก ก็ ย, ยังไม่ประกอบด้วยองค์ผู้ภาวนายังกำหนดองค์ประกอบไม่ได้ส่วนอิสมาธิแบบหนึ่งนั้นไม่มีลักษณะอาการอย่างนั้นหาผู้บริกรรมภาวนาพุทธสัมมาระหังยหนอ้อทองหรอหรือคนคิดพิจารณาอะไรก็ตามแต่เมื่อจิตมีอาการสงบลงไปแล้วจิตภาวนาเองคนคิดพิจารณาไปเอง เช่นอย่งขณะที่กําลังภาวนายุคหนอทองเน้ออยู่เมื่อจิตสงบลงไปแล้วจิตจะภาวนายกเน้อกองน้อยเองอย่างลั้งไม่อยู่อยากจะยุดก็หยุดไม่ได้รู้ในขณะใดที่เราพิจารณาอ น, นิจจังทุกขังอนาตาัตตาเจตโตพิจารณาไปเองโดยอัตโนมัติลั้งไม่อยู่อยากจะยุดก็หยุดไม่ได้อันนี้เรียกว่าการภาวนาเรล่มประกอบด้วยองค์ ความที่จิตภาวนาไม่หยุดรั้งไม่อยู่ก็ดีความที่จิตพิจารนาไม่หยุดรั้งไม่อยู่ก็ดีนั่นจิตได้รูปซึ่งเป็นองค์ฐานที่หนึง่งแต่พร้พอมกันนั้นก็มีวิจารก็มีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ในขณะจิตที่กำลังภาวนาหรือกำลังก้มคิดพิจารณาอยู่นั้นมีสติสัมปชัญญะรู้พร้อม กำหโดโตปราศจการณ์ที่เกิดดับสุภายในจิตคือการคิดการพิจารณานั้นเองด้วยคว า, ามที่มีสติสัมปชัญญะรูร้ความอันนี้สอแสดงว่าจิตของผู้ภาวนาได้องค์ฐานที่หนึ่งกับองค์ฐานที่สองเทวิตกกับวิจารวิจารก็หมายถึงจิตนั่นถึงอารมณ์เองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจ หาภาวนาผู้โทรหรือสัมมาอราหังเป็นต้นต้องจิตมันนึกถึงผู้โทเองเราจะตั้งใจมันตัวนึกไม่ตั้งใจมันตัวนึกอันนี้เรียกว่าจิตได้พิสุกคือมันเป็นไปเองโดยอัตโนมัติและในขณะที่เราพิจรารณาอะไรอยู่จิตมันพิจารณาอารมณ์เองโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจอันนี้ก็เรียกว่าจิตได้พิสุกในขั้นพิจรารณาผู้เดินวิปัสสนา ราชนั้นวิตกกับวิจารทั้งสองอย่างนี้จึงเป็นองค์แรกองค์ที่หนึ่งกับองค์ที่สองซึ่งเป็นองค์ประกอบของฌานเมื่อเจตนีวิตกวิจารแล้วปีติและความสุขจะไม่มังงโิดนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้เมื่อเกิดใความโดดเดนสมชักในอารมณ์ที่จิตเหนียวรั้งโลรู้อยู่กําหนดอยู่แห่งมองดูอยู่พิจารณาอยู่ ความดูเติมสมซาบในอารมณ์หรืออาการที่จิต ด, ดื่นดื่นรสพิสธรรมย่อมบังเกิดขึ้นซึ่งมีอาการปีติบังเกิดขึ้นมีความเ อ, อิบอิ่มใจมีความอิ่มใจมีความเต็มใจและมีความตื่นใจเมื่อเป็นเช่นนั้นความสุขก็ย่อมบังเกิดขึ้นก็เป็นว่าจิตได้วิตกวิการปีติสุข เมื่อเกิมีวิตกวิจารตีติสุเกเอตขะตาตัวความสงบจะหนีไปไหนก็เป็นผลป่อยได้อันนี้เป็นสมาธิที่เกิดขึ้นซึ่งประกอบด้วยองค์ฌานมีวิตกวิจารตีติสุเกเอตขตาใครจะภาวนายกหนอตองหนอสัมมาอรหังทโพโตหรืออะไรก็ตามแต่เมื่อเกิสงบลงเป็นสมาธิอย่างแท้จริงแล้วจะต้องไปพบกันที่จุดนี้หนีไม่รอด ว่าสมาธิเป็นศัจธรรมเป็นของจริงสมาธิที่ถูกต้องต้องประกอบด้วยปมคือวิตกวิจารตีติสุขเอกคตาทีนี้ถ้าหากสมมติว่าจิตของท่านอยู่ในลักษณะที่มีวิตกวิจารบริกรรมภาวนาเองก็ดีคิดไปเองก็ดีทีนี้ถ้าหากสมมติว่าท่านกำหนดจิตให้มีสติู้อยู่กับอารมณ์จิตในปัจจุบันจิตเชิ สัมมาอารหังเป็นความตื่นเมื่อจิตจดคิดก็เป็นความด so <wrote ini, S 2> ับเมื่อจิตคิดขึ้นมาอีกก็เป็นความตื่นจิตจดคิดก็เป็นความดับทีนี้ถ้าหาว่าจิตคิจารณาสิ่งนี้เป็นอนิจจทุกขังอนัตตาความคิดเกิดขึ้นอย่นี้ก็เป็นความตื่นแต่ความคิดอันนี้ดับไปก็หายไปจากความคิดก็เป็นความดับ เมื่อกิตมีสิ่งที่เกิดตัดอยู่ภายในจิตหุบภาวนามีสติสัมปชัญยะรู้พร้อมอยู่ที่จิตแห่งจ้องมองดูอยู่ที่จิตของตัวเองเท่านั้นทีนี้อาการแห่งมองหรือการตั้งใจดูจิตก็เป็นเรื่องของจิตทีนี้ความคิดที่เกิดขึ้นดัดไปอยู่นั่นก็เป็นเรื่องของจิตแม้ว่าเราจะแห่งมองดูจิตของเราเฉยอยู่ เมื่อสติปัญญามินดีขึ้นสติสัมปชัญญะเมพลังเข้มแข็งขึ้นจะกลายเป็นตัวปัญญาสามารถที่จะมองเห็นสิ่งเกิดจักอันเป็นสภาวะธรรมที่เกิดจากตับจิตในแง่พรกรตรลักษณ์เรูว่าสิ่งนี้ก็ไม่เกี่ยงสิ่งนี้ก็เป็นทุกข์สิ่งนี้ก็เป็นอนัตตา เมื่อมีสติปัญญาแล้วจะต้องรู้เองเห็นเองเป็นไปเองโดยอัตโนมัติยาดาฮเวปาสุปวันติธรร ม, มาอาจาติโนชายะโตกรรมนักสักอัจตริกังขาวะัปยันติสักพาในการใดแลธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏแต่ตามผู้มีเพี้ยนเพ่งอยู่ในการนั้นความรู้แจ้งเห็นจริงของธรรมนั้น ยอ่อมัำเกิดขึ้นในการใดที่ทำทั้งหลายย่อมปรากฏแก่ความผู้มีเพียรเพ่ง อ, อยู่ความนั้นย่อมหายข้อสงสัยก้องใจในสภาวะธรรมนั้นๆในการใดแลทำทั้งหลายย่อมปรากฏแก่ความผู้มีเพียรเพ่ง อ, อยู่เพราะอาศัยความรู้จริงเห็นแจง้งเก็บของความนั้นย่อมหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งหลายทั้งปวง ถ้าหากว่าในขณะใดที่เตของความนั้นยังไม่พ้นจากอาวะกิเลสสติปัญญายังอ่อนความคิดที่เกิดขึ้นดับไปในปัจจุบันนั้นเป็นสภาวะธรรมเป็นสิ่งที่เป็นอนิจจงทุกขังอนาาัตตาถ้าสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นมาแล้วอาศัยอวิชชาเข้าครอบวามจิตเกียงเล็กหน่อยโผล่ไปยุดสิ่งนั้นเอาไว้ ในเมื่อเยอะสิ่งนั้นก็ไปคล้องอยู่กับสิ่งนั้นปัญหาก็คล้องใจก็บบางตกวเพิ่นอย่างน้อยก็จะน้อกว่านี่คืออะไรต่อในเมื่อเป็นเค่นนั้นเจตก็ปรุงเป็นปัญหาขึ้นมาให้ยุ่งใจเพราะความรู้ไม่จริงจึงไปเยึะเยอะแล้วก็สร้างปัญหาขึ้นมาสร้างปัญหาขึ้นมาแล้วทําให้เจตมีความยินดีบ้างทําให้เจตมีความยินร้ายบ้าง หมายถึงว่าทำให้เจิดมีความพอใจบ้างไม่พอใจบ้างในเมื่อความพอใจไม่พอใจดีอยู่ที่ไหนความสุขและความทุกข์ย่อมบังเกิดขึ้นที่นั่นความสุขและความทุกข์จะเกิดขึ้นที่ใจในขณะนั้นแหละทั้งสุขทั้งทุกข์ที่ปรากบการให้เรารู้เห็นอยู่ท่านแหละนั่นถ้ า, าเรามีสติสัมปชัญญะพร้อมปัญญาแก่กล้า เราสามารถจะอ่านสถานการณ์ในสิ่งแวดล้อมจนเกิดขึ้นภายในจิตว่านี่เกิดทุกอริยสัจที่พระพุทธเจ้าตรัสรุเมื่อมีสติสัมปชัญญะรู้ความอยู่ที่จิตโตศพโตทกเกิดขึ้นสลับกันไปอยู่ไม่หยุดหย่นเมื่อสติสัมปชัญญะรูมญญ้มีปัญญาสติสัมปชัญญะมีกลังแข็งแข็ง ข, ขึ้นจะกลายเป็นตัวปัญญา สามารถที่จะรู้ตามตดแห่งตามเป็นจริงว่านอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกไม่มีอะไรตัดก็มีปัญญาจะรู้เห็นขึ้นมาอย่างนี้แล้วการรู้ทำเห็นทำในส่วนละเอียดนั้นก็ไม่มีอะไรที่ยังเหลือปรากฏให้เรามองเห็นอยู่มีแต่เกิดกับดับเกิดับเกิดดับอยู่ภายในจิตทีน่นสิยงที่เกิดดับเกิดดับนั่นแหละ เห็นสิ่งที่บรรจุความพิสดารของธรรมะไว้ครบแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ยังจะเกิดกัดจักเท่านั้นบรรจุอนิจจังทุกขังอนัตตาไว้ในขณะจิตนั้นเพียังจะเกิดดับเกิดดับอยู่นั่นแหละถ้าจิตไปคล้องอยู่นั่นมันก็บรรจุเอาทุกสมุทัยนิโรธมรรคเอาไว้เต็มปู่มอยู่ในขณะนั้น เพราะฉะนั้นในขณะใดจิตของเรามีสติสัมปชัญญะซ้อมรู้แจ้งเห็นจริงอยู่ในขณะจิตนั้นแม้อะไรจะเกิดดับเกิ ด, ดับจิตจมรักสภาพความเป็นจริงว่ากฎธรรมชาติของสภาวธรรมมีไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเท่านั้นโดยจะพูดอย่างสัมพนที่เข้าใจกันง่ายๆก็คือว่าสภาวธรรมทั้งหลายมีแต่เกิดขึ้นทรงอยู่ดับไป ก็ยังหลือแต่ยังกิจิสมุทะยะธรร ม, มังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดานี่คือวิธีทางของจิตที่จะดำเนินไปสู่ความรู้ธรรมเห็นธรรมในสมัยปัจจุบันนี้ญาติโยมหรือบาศกุบาสิกากระเด่นเพ็ญีทั้งหลาย ในจังราตั้งตาปฏิบัติสมถะกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานมีความรู้ความเข้าใจกันพอสมควรมีตั้งเยอะแยะแต่เพราะอาศัยที่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นไม่ได้อ่านคำภีไม่ได้เรียนมาทางปริยัติเหตุการณ์ที่บางเกิดขึ้นในจิตในบางครั้งก็รู้เท่าไม่ถึงการหรือไม่มีความเข้าใจ ภาวนาเป็นจิตสงบเป็นสมาธิมีปีติมีความสุขเมื่อภาวนาเก่งแล้วจิตสงบเมา่อบ่อยๆเข้าจิตมีพลังงานสามารถที่จะเกิดเป็นภูมิความรู้ขึ้นมาชึ่เรียกว่าอุทานธรรมบางทีไม่เข้าใจก็เข้าใจว่าจิตของตัวเองนี่ฟุ้งซ่านอย่างมีอุปาจิกาท่านหนึ่งอยู่ที่นครราชสีมาเคยไปถามว่า เคยภาวนาพพดโพนาเิจสงบดีสงบเิ็งขนาดที่ว่าตัวหายมีแต่จิตดวงเดียวสว่างสวอยดูเท่านั้นแต่เมื่อทำบ่อยๆเข้าจิตจะสงบเพียงเิดกหน่อยพอสงบลงไปแล้วมีความรู้ปุดขึ้นมาโพดพดพ ด, พดจังกระดามตุบางเคก็ไปถามท่านที่เข้าใจว่าท่านมีูมงความรู้ พอไปถามว่าภาวนาแนวโฟมจิตมันเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างไรท่านผูให้คําตอบผู้แก้ปัญหาเพราะว่าจิตฟุ้งซ่านเดี๋ือจะเป็นโรคประสาตทตายแบบนี้ก็ยังมีเพราะแตนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายอย่าลืมเย่าลมพุทธภาเสตติว่าเศนอบรมธมาธิสมาที่อบรมปัญญาปัญญาอบรมจิตท่านมีเศนบริสุทธิ์อาตดีแล้วอย่างต่ําเพียงแค่เศนห้า ศีลห้าเป็นคุณธรรมปรับพื้นฐานความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์โที่จะมีศีลแปดศีลสิบสองไยี่สิบเจ็ดต้องศีลห้าบริรสุทธิ์สะอาดตีจึงจะรับรองศีลอื่นๆไว้ได้ทีนี้เมื่อศีลห้าบริรสุทธิ์สะอาดตีเมื่อเรามาทำสมาธิสมาธิเกิดขึ้นก็อาศัยศีลเป็นหลักประกันความปลอดภัยสมาธิย่อมเป็นสัมมาสมาธิ สรมมาสมาธิเมื่อจิตสงบแล้วจิตใจ้อนเข้ามาดูดูตัวเองคือดูภายในกายในใจในจิตแล้วก็รู้ความเป็นจริงของกายของจิตของตัวเองในภายใยในเม่เป็นเช่นนั้นในเมื่อจิตมาดูจิตจิตมาดูกายเอาใจใส่ในตัวเองสติปัญญาย่อมบังเกิดขึ้น เพราะอาศัยศีลเป็นเครื่องอบรมสมาธิสมาธิเกิดขึ้นเป็นสัมมาสมาธิสมาธิาธอบรมปัญญาปัญญาก็คือความคิดความคิดอันใดที่สติสัมปชัญญะรู้ไม่ทันความคิดอันนั้นเป็นความปุ่งสั้นแต่ความคิดอันใดที่มีสติสัมปชัญญะรู้ทันอยู่ทุกขณะจิตความคิดอันนั้นเป็นสมาธิปัญญาเราบำเพ็ญสมาธิ เพื่อให้เกิดปัญญาในเมื่อปัญญาโสิดขึ้นแล้วเราจะไปลำคาญปัญญาไปลำคาญความคิดแต่ไปเข้าใจจิตเพ้จิตเราฟุง้งซ่านวิธีการสังเกตเพื่อทําความเข้าใจง่ายๆก็มีวิธีที่จะพึงสังเกตอยู่ถ้าครามคิดอันใดมีสติสัมปชัญญะรู้ทันเจตสัตแต่ว่าคิดคิ ด, คดแล้วก็ปล่อยวางไปมีแต่ความปลอดโปร่ง แต่ถ้าสติอ่อนความคิดอันใดเกิดขึ้นเคคิดไปคิดคิดแล้วก็สร้างปัญหาขึ้นมาให้เกิดความโคบเบือดร้อนใจอันนั้นเรียกว่าความฟุ้งซ่านแต่ก็อาศัยความคิดอันเดียวกันนี่แหละคิดไปเรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องวัดเรื่องวาเรื่องบ้านเรื่องช่องแต่คิดไปด้วยความมีสติสัมปชัญญะแต่าาธาดสติสติ อ, อ่อนเมื่อไร่คิดแล้วเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาเมื่อนั้น แม้แต่ท่านผู้ใด จ, จะสงสัยว่ามิจฉาทิฏฐิคืออะไรสัมมาทิฏฐิคืออะไรก็มีสข้อที่จะเ้ิงกำหนดทำความเข้าใจง่ายๆความเทียงความรู้อันใดที่มันเกิดขึ้นมากับจิตในเมื่อเรารู้แล้วจิตไม่ยึดเอาไว้สร้างปัญหามีแต่ความปล่อยวางความคิดอันนั้นคือความรู้อั น, นั้นคือปัญญาสัมมาทิฏฐิ เพราะรู้จริงจึงไม่ยึดเอาไว้สร้างปัญหาให้ตัวเองต้องเดือดร้อนแต่ในภณาจิตใจที่สติปัญญาอ่อนเคลีดขึ้นมาแล้ว ย, ยึดแล้วสร้างปัญหาให้ตัวเองเดือดร้อนความคลดอ น, นันละเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะรู้ไม่จริงจึงยึดเอาไว้สร้างปัญหาให้ตัวเองเดือดร้อนเรากำหนดหมายเอาอย่างนี้เราจะเข้าใจง่ายนี้ความรู้ทำเห็นทมนั่น ไม่ใช่ว่าในขณะที่เราอยู่ในสมาธิเราจิตของเราจะไปอ่านธรรมะเหมือนเราจัดคำภีร์มาอ่านเจติโลอริจังทุกขังอนัตตานี่มันโลกันแต่เทียงความคิดความอ่านในขณะที่เราตั้งใจพิจารณาวัตถุมัน ก, ก็ไม่เทียมเวทนาก็ไม่เทียมสัญญาก็ไม่เทียบสังขารวิญญาณไม่เทียมเป็นภพเป็นอนัตตาทั้งนั้นอันนี้มันเป็นภาพปฏิบัติ เป็นาพาดีให้ความคิดให้การค้นคิดพิจารณาเพื่อเป็นแนวนําให้จิตเกิดความสบบแต่ในเมกกื่อเิ็บมองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจริงๆแล้วคําว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีมีแต่ปารากฏการณ์ที่เกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่เท่านั้นเองอันนี้คือสุดรู้ของนักปฏิบัติที่รู้อนิจจังทุกขังอนัตตาเราจะนั้นสาธุชนทั้งหลายผู้มุ่งหวังในการที่จะปฏิบัติธรรม เพื่อให้เด็ดจำเริญเข้าไปสู่ความเป็นสมาธิให้มีสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสภาวธรรมตามความเป็นจริงขอให้ตั้งใจยึดมั่นในหลักกต่วิธีการที่ตนยึดเป็นอารมณ์ปิดตัวใครจะภาวนาสัมมารหังยกหนอปองเอาพโพธโรหรืออื่นๆก็ตามแต่ขอให้ทำด้วยความจริงใจในเมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วเรามีจุดนัดพบเราจะเป็นพบกันที่ฌานที่หนึ่งคือปฐมวิชาน เมื่อจิตสงบลงไปแล้วมีวิสุวิจารปีสิสุกเอกับขาตานั่นและเราจะไปพบกันที่ตรงนั้นเมื่อจิตสงบลงไปแล้วมีวิตกวิจารณ์ปีสิสุกเอกับข้าตาอยู่พร้อมเคยจิตภาวนาไม่หยุดแหละพิจารณาอยู่ไม่หยุดนั่นแหละเป็นจุดเริ่มของจิตที่ดำเนินขึ้นสู่ขั้นแห่งวิปัสสนาสมฐานเป็นภาคปฏิบัติถ้าจิตหยุดเช็ดเมื่อไหร่แผนิ่งว่างอยู่เฉยๆนั่นจิตเป็นสมถา ถ้าจิตยังมีวิตกวิจารคุปภาวนาอยู่ก็ดีพิจารณาอยู่ก็ดีดั่นจิตดำเนินการปฏิบัติในขั้นวิปัสนาโดยการบริกรรมภาวนาด้วยเพ่งกระสินเช่นสัมมาระหังยกหนอกองหนอพโพธิโตเป็นต้นได้ชื่อว่าปฏิบัติตามวิธีการของสมถะผู้ที่ทำหลักจตให้มีสติตามรู้การเดินเดินนั่งนอนรับการเดิมทำปุจจิต โดยย่อเอาธรรมะอันใดมาพิจารณาเพย่าใจิตต้องไปสู่หลักปัรจัยลคืออนิจจทุกขังอนัตตาสนทั่ ง, ง, งจิตคร่องตัวต่อการพิจารณาแล้วก็พิจารณาไปเองโดยอัตโนมัติได้อันนี้เรียกว่าปฏิบัติตามวิธีการของวิปัสสนาเพราะฉะนั้นอย่า ไ, ไปคล่องใจสงสัยอย่าไปคิดว่าเราจะยกจิตเพ้่สู่วิปัสสนาเมื่อไหร่ เราหยิบขึ้นสุ่วิปัสนานักจำเดิมแต่เราตั้งใจกำหนดจิตบริกรรมภาวนาหรือตั้งใจคิดทั้งสองอย่างนี้มันจะยังผลให้เกิดขึ้นคือทำจิตให้สงบปเป็นสมาธิเมื่อจิตสงบลงเป็นสมาธินิ่งเป็นสมถะเมื่อจิตสงบนิ่งแล้วความรู้ว่านี่คือสมาธินี่คือสมถะ น, นี่คือชานนี่คยดัน นั่นเป็นวิปัชนาเพราะฉะนั้นหลักความเป็นจริงมีอยู่ว่าสมาธิไม่เกิดรือสมาธิไม่มีสมถะจะมีไม่ได้เมื่อสมาธิขั้นสมถะไม่มีทานก็ไม่มีเมื่อไม่มีทานคือการเพ่งยานการอย่างโูก็ไม่มีในเมื่อมียานอย่างโลปัญญาก็ไม่มีในเมื่อปัญญาไม่มีวิชาก็มีไม่ได้ ในเมื่อวิชาไม่มีความรู้แจ้งเห็นจริงก็ไม่มีในเมื่อความรู้แจ้งเห็นจริงไม่มีทิมุดความหลุดพ้นก็มีไม่ได้กิเลสทั้งหลายที่มีอยู่ในจิตในใจจะไปตั้งใจละให้มันลําบากเพราะว่ามันละไม่ได้จริงๆสิ่งที่เราจะตั้งใจละก็คือว่าตั้งใจงดเว้นโทษที่จะเบืงเกิดขึ้นทางกายทางวาจา โลดจัดนึกถึงเสียงข้อปานาธิบาทไปสิโลกจัดนึกถึงเสียงข้ออจินนาทานเอาไว้จิตใจมันรวนลามออกไปข้างนอกนอกเวทีก็นึกถึงเสียงข้อกาเมสมิชฌาจาร์เอาไว้หาจิตใจมันนึกอากจะโกหกกล่าวไกงใรนึกถึงเสียงข้อมุสาวาทถ้ามันมัวเมาลหลงไหลในสิ่งใดๆมากเกินไปก็นึกถึงเสียข้อโุรา เอาศูนห้าข้อนี้มาเป็นหลักประกันความปลอดภัยในการให้กิเลสให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองและสังคมใครจะโลภมากสักปันใดก็ตามโกรธมากสักปันใดก็ตามหลงมากสักปันใดก็ตามแต่เราไม่ทำอะไรผิดศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งพระพุทธเจ้าไม่ตาหนิแน่ ส่วนกิเลสโลภโลกดหลงที่มีอยู่ในใจฝึกสมาธิให้มีปัญญาทำจิตให้เกิดมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะทำตามความเป็นจริงคือให้มันรู้ความจริงของกายรู้ความจริงของใจกายนี่เกิดมาแล้วจะต้องแก่เจ็บตายใจนี่จะต้องมีความรู้สึกนึกคิดในอยากไปลำพาญในการที่จิตมีความรู้สึกนึกคิดฝึกหัดจิตให้มีสติตามรู้ให้มันทันความคิดของตัวเอง เมื่อเราตามรู้ให้ทันความคิดของตัวเองเมื่อไหรเมื่อนั้นเราก็สบายเรียกว่า ม, มีปัญญาความคิดที่เราคิดว่ามันยุ่งยุ่งวุ่นวายตั้งแต่ก่อนโน้นเพราะเราขาดสติสติไม่เพียงพอกำลังของสติคุ้มกันความปลอดภัยไม่ได้เราจึงเกิดหุ่นวายกลายเป็นความฟุ้งซ่านแต่ถ้าความคิดอันใดที่เรามีสติรู้ทันเอาทันเรียกว่ารู้เท่าเอาทันไม่หลงไหล ไม่ติดไม่ยึดในสิ่งและนั้นความยึดอ น, นั้นมันก็เป็นปัญญาในสมาธิด้วยประการชนีดได้บรรยายธรรมะมาพอสมควรแก่กาลเวลาจิงขอสมุดยดติดลงด้วยประกาละชนิดปัญหาที่ถามมาแต่ละข้อของแต่ละท่านก็จะพยายามตอบไปตามความเข้าใจ าบางทีอาจจะเคลื่อนค่าจากความเข้าใจของท่านผู้ถามบางก็ขอถือโอกาสถือขอภัยไว้ลงหน้าปัญหาแนกมีท่านคนหนึ่งถามว่าเรื่องของกรรมมีสอนกันทุกศาสนาแต่การที่เป็นอัญญาติส ร, รู้ของพระพุทธองค์ไม่มีใครสอนกันเลย จึงขอเรียนถามว่าพระพุทธองค์สอนว่าอย่างไรเหตุใดจึงไม่มีการสอนกันสอนกันแต่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว <c oughs> ส่วนคำที่เป็นปัญญาสัรูะของพระพุทธองค์ไม่มีใครสอนขอหลวงพ่อได้สอนพอเป็นแนวทาง <c oughs> วันนี้ก็ได้สอนวิธีหรือแนวทางที่ให้เกิดปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้ที่พระพุทธเจ้าได้สอนมาและปฏิบัติมาพระพุทธเจ้าท่าน <c oughs> ท่านตรัสรู้ทุกสมุทัยนิโรธมัตแนวทางปัญญาที่เป็นเครื่องตรัสรู้ ก็คือมักได้แก่หนทางปฏิบัติเราเริ่มต้นด้วยการปฏิบัติศิลให้บริสุทธิ์แล้วก็ทำใจให้มั่นคงให้ปัญญาพิจารณาเหตุผลของสถานการณ์ในสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการทำจิตให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งะร <c oughs> ะลึกอันใดที่ หานเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายหลายใจ <c oughs> <c oughs> ที่จะเป็นเครื่องยุกใหญ่ให้เราเกิดทําความทั่วหรือทําความเสียหายเราก็จะเจ้าสอนให้เรามีศีลนั่นไงทีนี้เพื่อจะเป็นการรักษาศีลให้มีความมั่นคงท่านฝึกให้มีสมาธิทาจิตให้มีสิ่งรู้ทาสติให้มีสิ่งระลึก เมื่อเรามีความมั่นคงต่อการที่จะรักความทั่วคือรักษาศีลให้บริสุทธิ์และมีความมั่นคงต่อการที่จะทำความดีรพระพุทธองค์ก็สอนให้เราหาอารมณ์มาพิจรารณาพิจรารณาอารมณ์อันเป็นเรื่องเป็นราวซึ่งเรายกขึ้นมาลบยกอารมปนามขึ้นมาพิจรารณาอันนี้เป็นแนวทางพิจารณาให้เกิดปัญญาหรือไม่ฉนะัน ก็เอาอารมณ์ในปัจจุบันมาเป็นเครื่องพิจารณาอารมณ์สิ่งนี้ผ่านก็มาตาโหูสมองเล่นกายในใจทําให้เราดีใจเสียใจเตองค์ให้รีบพิจารณาทันทีนี่คือแนวทางการสอนของพระพุทธองค์เรามีตาโหูสมองเล่นกายในใจฝึกจตให้มีสติสัมปชัญญะโรภตอมอยู่ที่ตาโหูสมองเล่นกายในใจโลภเสียงเปดนรสสัมผัส เป็มีิสัยท้องตาหูจมูกเลี้ยงกายใจที่จะฝืนรับรู้ทีนี้ท้าองก็สอนให้เรามีสติรู้อยู่กับสิ่งเหล่านี้ในปัจจุบันการดูทำํำจิตให้มีสิงรู้อยู่ในปัจจุบันอะไรเกิดขึ้นมาก็รู้อะไรเกิดขึ้นมาก็รู้เป็นอุบายวิธีสอนของพระพุทธเจา้าคือท่านสอนให้ดูสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เมื่อเราดูสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันด้วยความเอาใจใส่ด้วยความมีสติสัมปชัญญะสติปัญญาย่อมบังเกิดขึ้นเมื่อสติปัญญาย่อมบังเกิดขึ้นย่อมรู้ธรรมตามความเป็นจริงธรรมคืออะไรคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ที่เราจะพึงรับรู้ตาหูจมูกเล้นกายใจเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ที่ตาหูจมูกเล้นกายใจเพื่อเป็นการอุบายวิธี ทำจิตให้เกิดสติปัญญาสามารถที่จะรู้แจ้งเห็นจริงเป็นปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ทีนี้เราวิสัยของพระพุทธเจ้าท่านมีสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งเหล่านี้จนกระทั่งสามารถทํากิเลสให้หมดไปดจิตดาจิตสันดาทเพราะอาศัยการทําจิตให้มีสิ่งรู้ทําสติให้มีสิ่งระลึก เราเรียกว่าสถาคตะสถากตะโพธิปัญญาหรือตถากตะโพธิสัตวาเป็นปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าีป็นพวกเราซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกหาเราพยายามปฏิบัติตามแนวทางของท่านคือปฏิบัติตัวให้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาเราจะเกิดมีปัญญาได้ต้องฟังฟังแล้วต้องคิดคิดแล้วต้องพิจารณาให้มันซึ้ง นี่เป็นแนวทางสอนของพระพุทธเจา้าเป็นแนวทางให้ตัดสู้คำต่อบปณิเย <c oughs> ก็เป็นกิตก ร, รมที่เราฝึงทําตามคําสอนของพระพุทธเจา้าเป็นอุบายที่ให้เกิดเป็นปัญญาตัดสุขเราฟังแล้วปฏิบัติตามรู้ตามก็เป็นสาวก ข, ของพระพุทธเจา้า <c oughs> ปัญหาต่อไป ท่านผู้นี้ทําสมาธิมาแล้วปีเศร็จในตอนแรกจิตสงบดีมีจิตใจผ่องใสแต่ทําไปทํามาจิตผุผูไม่ค่อยเอาไหนบางทีก็ <c oughs> มีอาการเริเ่มเหมือนหลับไปแต่ก็มีความรู้สึกว่าไม่ได้หลับการที่มีความเริ่มหลับไปแต่รู้สึกว่าไม่ได้หลับนั่นจิตเข้าสู่สมาธิ <c oughs> แต่สมาธิจะมีพลังอ่อนปีติในความสุขจึงไม่มังเกิดแรงจรึงทำให้เกียดใจเกิดฟัาข้อถอยและเบื่อหน่ายเป็นบางครั้ง mm. วิธีแก่ก็คือว่าให้พยายามหาเรื่องมาพิจารณามากมากพิจารณาผมขนแดะปันหนังแน่นกระดูกและเลึกดูในกายนี่ดูจบเห็งดูกระดูกส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได มีท่านในการองหนึ 1, ่งภาวนามาสิบปีแล้วเจบไม่สงบเป็นสมาธิ <c oughs> คือภาวนาพุทโธพุทโธแต่มีท่านผู้หนึ่งมาแนะนำว่าให้เแป่งลงที่หน้าอกกำหนดลอกน้ำออกกำหนดเถือน้ออกนึกถึงให้ถึงอนกให้ถึงกระดูกแล้วทำความเชื่อมั่นว่ามีกระดูกอยู่ที่บริเวณหน้าอก แล้วก็นึกบริกรรมภาวนาว่าอธิอธิอธิหรือกระดูกกระดูกแค้มลงที่เราทีนี้พอเสร็จแล้วจิตก็จะสงบลงเป็นสมาธิสามารถมองทิ้งตัวเป็นโครงกระดูกได้อันนี้คือวิธีแก้ง่ายง่ายก็ไม่ง่ายเหมือนกันแต่ว่าต้องพยายามมากมากหากแก่จะได้ว่ามันไม่สบายมันเมื่อเคยเกิดมูดเย็ดลำการขึ้นมาแล้ว การแก้ไม่สมเหตุสมผลมันก็ไม่สามารถที่จะแก้ตกไปได้อของข่านต่อไปปฏิบัติแล้วเกิดมีแสงสว่างแยงเข้าที่ลูกตาแสงสว่างที่แยงเข้าลูกตานั้นไม่ใช่แสงมาจากที่อื่นจิตของท่านปรุมเป็นแสงขึ้นมาเองแต่แสงนั้นมันเกิดขึ้นในขณะที่จิตยังสัมพันธ์กับลูกตาอยู่จิตใกล้ๆกับว่าแสงมันทะลุกออกไปทางตาแต่เราลืมลืมตัวไปเลยเข้าใจว่า แสงนั้นมันวิ่งเข้ามาแยงลูกตาลักษณะของแสงที่มันเกิดขึ้นในบางครั้งมันจะเกิดอยู K ่ไกล้ๆซึ่งมองจนแทบสุดสายหูสายตาทีนี้ในเมื่แสงมันเกิดขึ้นเอาเพ่งดูอยู่ที่แสงแล้วกับภาวนาอยู่ถ้าจิตสงบเชื่องช้าแสงมันจะค่อยเลื่อนเลื่อนเลื่อนเลื่อนเลื่อนเข้ามาจีระน้อยน้อ ย, อยมาอย่างเชื่องช้าแต่ถ้าจิตสงบเร็วแสงมันจะวิ่งทุดเข้ามาอย่างเร็ว บางทีทำให้เราตกใจพงศ์เข้าใจอา่าก็เข้าใจว่าแสง จ, จะมาทิ่มลู ก, กาตาเราแสงสว่างดังที่ท่านถามมานี่เป็นแสงเกิดจากจิตที่สนงบเป็นสมาธิแต่สมาธิยังไม่มีพลังแก่กล้าเพียงพอแสง จ, จึงเล็กได้ก็ว่าเป็นแสงเล็กๆ น, น้อยๆแก่เข้ามาทางตาวิธีแก่ก็คือว่าภาวนาไปเรื่อยแล้วมันจะผ่านไปเอง ในเมื่อแสงมันเกิดขึ้นอย่าเอ็ดใจอย่าทำความตกใจประคองจิตโูกที่จิตเฉยๆอยู่มันจะมีอะไรเกิดขึ้นอะไระยังไงไงก็ให้เฉยลูกเดียวถ้า จ, จิตจำภาวนาโพโตหรืออะไรอยู่ก็ภาวนาด้วยไปแสงมันจะหายไปรก็ไม่หายไปไม่สําคัญเราทํานดโลกอย่างเดียวเพราะแสงเป็นอารมณ์จิตก็ที่สอนเดี๋ยวนี้มีมีสํานักปฏิบัติมากมาย ปฏิบัติยึดใจคนแนแน่วก็ได้กล่าวแล้วว่าการปฏิบัติสัมมาระหังพุโทโธยกหนอ่หนอกองดออะไรต่างๆในเมื่อสมาธิอันนั้นมันเป็นแต่เพียงวิธีการปฏิบัติเท่านั้นพวกวิธีการปฏิบัติก็ให้เกิดมีสมาธิเมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วเราจะไปพบกันตรงทานที่หนึ่งคือเกิมีวิถุขิจารปีติสุเอกตขตาที่ท่านสงสัยนั่นมันเป็นแต่เพียงวิธีการแต่มันก็น่าสงสัยจริงๆนั่นแหละ แต่อยางบางท่านภาวนาพุโทโธใครไม่พุโทโธกับกขา้าเป็นกิจหมดบางท่านสัมมารหังยหนอทองน้อผายใครไม่ตามทัานก็ทิพยหมดจากนี้จึงทําให้นักผู้ที่สนใจในการปฏิบัติทั้งหลายเข้าใจเข้าใจใไปไปเราจะนั้นปัญหาขอ้อนี้ขอให้แนวคิดว่าพุโทโธก็ดีสัมมารหังก็ดียหน้อทองน้อก็ดีเป็นแต่เพียงวิธีกัน ถ้าเราปฏิบัติแล้วสมาธิเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเราจะหายสงสัยคล่องใจเพราะจุดจบมันอยู่ที่สมาธิที่ประกอบด้วยองค์มีริบกวิจารปีจิตสุเอกคตาคือฌานที่หนึ่งนั่นเองเพราะฉะนั้นใครจะว่าเกิดว่าจกอย่าอย่าไปยึดอะไรที่เราปฏิบัติแล้วอะไรที่เราปฏิบัติแล้วมันเกิดผลทำให้จิตสงบทาให้มีกิจิทําให้มีความสุข ใครจะว่าเราเก็บเราจะไปสนใจถ้าเขินไปสนใจแล้วยุ่งเหมือนวันต่ตางคนที่ภาวนาแล้วเก็บมันเกิดมีความโูภขึ้นมาไปถามใครต่อใไรแล้วเขาว่าเก็งสร้างเดี๋ยวจะเป็นโรคประสาทตายแต่คนภาวนาเขาเขปวดหัวเขาคิดหาทางที่จะหาอยู่หากินจนปวดศีรษะพอเขาภาวนาแล้วเก็มันเกิดความเคลนขึ้นมาไม่หยุดโรคประสาทที่เขากาลังจะเต็มอยู่ด้านข่าย แต่ไปถามท่านกอรู้ว่าเกิดฟุ้งซ่านจะเป็นโลกประสาทตายอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นให้เชื่อตัวเองเอาปัญหาต่อไปการเห็นภาพในเมตตว่าร่างกายปุเลยเอ่อการเปลี่ยนแปลงการเห็นร่างกายเปื่อยปุบพังเป็นความเห็นขั้นของสมถะกรรมฐานโดยบางทีเราเห็นร่างกายนี่ตายลงไปแล้วขึ้นเอิดเน่าเปื่อยปุบพังเกิดมาดูภาพนิ่ง ที่นี่ในเ่ื่อจิตมันเห็นร่างกายเน่าเปยโป่งพังเป็นการเป็นความรู้ความเห็นขั้นสมถะกรรมฐานแต่ถ้าจิตกำหนดหมายความเปลี่ยนแปลงเป็นการเป็นความรู้ขั้นวิปัสสนาทั้งสองอย่างนี้ความรู้ขั้นสมถะเป็นพื้นฐานให้เกิดวิปัสสนาความรู้เห็นขั้นเปลี่ยนแปลงคือวิปัสสนาเป็นแนวทางให้หมดกิเลสอันที่สองนี่ดีกว่าอันที่หนึ่ง การมีสติสัมปชัญญะในการปฏิบัติงานในชีวิตประจาวันจะเป็นหนทางสู่ความพ้นทุกไหมใครทีทมมทททร่ทำงานด้วยความมีสติสัมปชัญญะเป็นหนทางพ้นทุกคนทุกในปัจจุบันทำงานด้วยความมีสติมีความรู้มีความรู้เท่าทัานอยู่ตลอดเวลาคนทำงานด้วยความมีสติเขาจะทำงานด้วยความว่างเธอมันว่างจากความรู้สึกที่ทำให้เกิดร้อนดำำําคัน อย่างท่านพุทธทาสันว่าจงทํางานด้วยความว่าง mm hmm. คือ mm hmm. เมื่อมีสติสมัมปชัญญะรู้อยู่ที่งานทางานไปด้วยจิตมันก็ไม่เร่งรัดที่จะทําที่จะให้มันเสร็จเร็ ว, รวทางที่การทํายังไม่สมเหตุสมผลที่จะให้เสร็จอตปะโลทันว่านานนี่มันสําเร็จด้วยการทําในเมื่อเราทําไม่หยุดมันต้องสําเร็จแล้วนะมันจะไม่สร้างความเดือดร้อนหรือร้อนใจว่าเมื่อไหร่มันจะเสร็จเมื่อไหร่มันจะเสร็จ ถ้าอย่างนี้แล้วเรียกว่าทํางานด้วยความขาดสติทีนี้ถ้าพุทธตงว่าในทางการบรรลุมรรคผลนิพพ า, เานเมื่อเรามีสติรู้อยูสำหรับชันยะรู้อยู่กับการทํางานการทํางานมีอะไรบ้างเดินได้นั่งนอนนับทานเดินทําพูดธเจคือการทํางานทํางานของกายทํางานของจิตเมื่อเรามีสติรู้อยู่กับสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เป็นสภาวะธรรมเป็นเครื่องหมายให้เรารู้ว่า ไม่เลี่ยนเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสิ่งเหล่านี้แหละที่จะมาลุกแห่ให้เราเกิดอารมณ์ทําให้เกิดมีความยินดีเกิดความยินได้เกิดสุขเกิดทุกข์เมื่อเรามีสติรู้อยู่กับสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาเมื่อสติสัมปชัญญะแก่กว่าขึ้นจะมีปัญญารู้อนิจจทุกข์องอนัตตาเหมือนกันกับนั่งหลักตาพิจารณาเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าพระท่านผู้ใดไม่มีเวลาพอที่จะนั่งสมาธิเป็นชั่วโมงอย่างที่พระท่านสอน ให้พยายามฝืนอดเจตถ้ามสติตามรู้การเดินเดินนั่งนอนรับการนดินทําพวกเคล็ดพวกขนาจิตพวกลมหายใจนเดินไปทํางานนึกว่าเดินจมกรมเดินทํางานนึกว่าเดินเดินเดินเดินทําสมาธินั่งทํางานนึกว่านั่งทาสมาธิทําอะไรก็มีสติสัมปชัญญารู้กลมอยู่ในขณะนั้นเป็นการภาวนาสามารถทําจิตให้รู้ทำเห็นทำได้ท่านถาต่อไปผู้ที่ปฏิบัติสมาธิภาวนาจําเป็นต้องมีสิ่งห้าข้อบริสุทธิ์หรือไม่ ถ้าท่านจะภาวนาเพื่อให้บรรลุมรรคผลนิพพานจําเป็นต้องมีแต่ท่านจะภาวนาเพื่อสร้างพลังจิตอย่างเช่ใครๆเขาสร้างกันแน่นให้มีเลตทางวิชาอาคมให้มีเลตทางแสดงในการสะกดจิตหรืออะไรต่างๆอันนั้นไม่ต้องมีศีลก็ได้แต่ว่าผู้ที่ภาวนาจะให้จิตบริสุทธิ์สะอาดหมดกิเลือกบรรลุมรรคผลนิพพานตามแนวของพระพุทธเจ้าจริงๆต้องมีศีลอางต่ำคือศีลห้า ทนถ้าก็ศีลไม่บริสุทธิ์สมาธิก็ไม่บริสุทธิ์อันนี้เราต้องในขั้ น, ในใจะได้นี่ก็บริสุทธิ์ตั้งไม่บริสุทธิ์ตั้งแต่เราพยายามทําให้บริสุทธิ์แต่เมื่อเกิดมีสมาธิมีสติปัญญาก็เป็นเครื่องสนับสนุนศีลให้มีความบริสุทธิ์สะาดจริงขึ้นข้อต่อไปการทําบุญถ้าเราอธิษฐานจิตก้าไม่อธิษฐานจิตจะส่งผลต่างกันอย่างไรถ้าเราทําเอาเราคนเอเอถ้าเราทํา เอาตัวของเราเองไม่ต้องไปอธิษฐานเจ็บหรืออะไรทั้งนั้นก็ทําดีแล้วต้องได้ดีแต่ว่าทําแล้วจะอุทิศผู้สนให้แก่ผู้อื่นต้องอธิษฐานเจ็บแล้วเลิศถึงผู้ที่เราจะให้ถ้าทําเอาเองนี่ไม่ต้องอธิษฐานก็ได้ย่อนได้บุญข้อแจกต่กางก็คือว่าถ้าเราจะทําให้คนอื่นไม่อธิษฐานนรกที่จะให้เขาเขาไม่ได้บุญ แต่ถ้าเราทําเอาตัวเราเองไม่อธิษฐานก็ได้บุญข้อต่อไปการแผ่เมตตาที่จะให้ได้ผลสําเร็จควรปฏิบัติอย่างไรการแผ่เมตตาที่จะให้ได้ผลสําเร็จกันจริงๆเมตตานี่มีเมตตาตายกรรมเมตตาปจิจกรรมเมตตามโหกรรมเมตตาตายะกรรมช่วยขวัญายในกิจโทระเช่นอบรมสัรมสอนนิ้ช่วยโทลรกิจต่างๆอันนี้เรียกว่าเมตตาตายะกรรมสิ่งที่เราเหยียดเื่อให้ เป็นการแสดงเมตตาทางไกาสิ่งที่เราพูดกล่าวแนะนําตะเกอรสั่งสอนเป็นการแสดงเมตตาทางวาจาที่นี้เราเกิดเจตนาเกิตั้งปฏิฐานว่าจะให้เขาได้รับความสุขสบายเพราะการกระทําในการช่วยเหลือของเราเป็นการวิธีการปฏิบัติในการแผ่เมตตาแต่ถ้าหากเพียงแต่ว่านั่งหลักกาเล็กน้อยขอให้ท่านจรงมีความสุขขอให้ท่านตงมีความสุขอันนี้เป็นอุบายวิธีที่ฝึกใจของเราให้อเกิด คุณละทำโดยความเมตตาแต่ถ้าจะให้ได้ผมกับคนที่เราแพร่ทันจริงๆต้องช่วยช่วยทางกายช่วยช่วยวาจาแล้วก็ช่วยด้วยจิตใจกายวาจาและใจอ่ากล่อมๆกันแล้วก็แสดงการแผ่เมตตาด้วยการให้ด้วยการสั่งสอนไม่มาพูดถึงเรื่องการแผ่เมตตาเช่ยังแต่มันว่าพ่อแพร่เลี้ยงลูกทั้งหลายถ้าเราถ้าเราทําบุญกับลูกเราเราก็ได้บุญ ทำไมจึงได้บุญมาตาเปโตกฏฐานังปุตตารัชสังถโหการอุปถาบันงบิดามารดาการเลี้ยงบุตรยิราเป็นมงคนดันสูงสุดใด้บุญทีนี้ครูบาอาจารย์สอนลูกศิษย์ให้มีความรู้ความเข้าใจในหนังสือทั้งหาถ้าเราเลือกว่าเราให้วิทยาทานแก่เขาทั้งหลายเหล่านั้นเราก็ได้บุญเปิดกานให้ธรรมทานอ่ปัญหาต่อไปใส่บาบาเป็นใครมาจากไหนมาเพื่ออะไร สายบาบาเป็นชาวอินเดียมาจากประเทศอินเดียเป็นนักปฏิบัติแบบฤาษีพวกโยคีทั้งหลายทีนี้นเข้ามาเพื่ออะไรเข้ามาเพื่ออบรมสั่งสอนธรรมเพื่อหาข้อเสียงและเพื่อช่วยเราให้รู้จักข้อกวัดปฏิบัติเขาก็มีเจตนาดีเหมือนกันทีนี้นถ้าพระท่านผู้ใดต้องใจว่าวิธีปฏิบัติของสายบาบาถูกหรือเปล่า การปฏิบัติของใส่บะบาถูกเหมือนกันเพราะการทำสมาธิมีวิธีการมันมีหลายวิธีการไอความผิดถูกของการทำสมาธิของการภาวนาอยู่ที่เจตนาริษวัตถุประสงค์ของผู้ทรรมถ้าตัวทามุ่งที่จะทำจิตให้สงบมีสติปัญญาสามารถละกิเลสให้หมดจากจิตสันดาสได้อันนี้เป็นวัตถุประสงค์อันหนึ่ง ใี่นี้ผู้ที่ทำสมาธิแล้วเพื่อสร้างพลังจิตให้เกิดมีพลังงานมีฤทธมีเดชเพื่ออวดฤทธิ์อวดเดชให้ใจใฝ่ เ, เป็นอัศจรรย์หรือสามารถที่จะใช้พลังจิตเปบังคับคนโน้นคนนี้ให้ตกอยู่ในอำนาจใจอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์อีกอันหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านใสบาบามาเพื่ออะไรท่านใสบาบามาหนึ่งมาเพื่อแค่ละที่การปฏิบัติของท่านต่อ ก, การที่สองท่านอาจจะคิดหาผลประโยชน์ให้กับตัวเอง และการที่สามเพื่อสงเพราะพวกเราผู้ที่ยังไม่เข้าใจการปฏิบัติตามแวานวทางของท่านอันนี้คือวัตถุประสงค์แต่เป็นการขลาดทนานการทำสมาธิที่ถูกนั้นให้ติดตัวตลอดโรภต่อตลอดดีหรือให้ติดิ่ิงลงไปแต่ควบคุมไม่ได้ดี การทำสมาธิจุดมุ่งหมายก็เพื่อที่จะให้จิตมีสติรู้อยู่ที่อยู่กับตัวตลอดการทีนี้ในบางครั้งบางคราวจิตอาจจะดิ่งลงไปจนกระทั่งรู้สึกว่าไม่อยู่กับเนื้อกับตัวทอดทิ้งร่างกายตัวรู้สึกว่าตายไม่ไม่มีอันนี้เป็นเป็นธรรมชาติของสมาธิที่จะเป็นไปอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าการทำสมาธิถ้าจิตรู้สึกว่าเรา มีสติูโลคัม อ, อยู่ที่กายที่จิตตลอดเวลานั่นดีที่สุดเพราะว่ากายกับจิตเนี่ยเป็นอารมณ์สิ่งรู้ของจิตและเราจะสามารถรูอ้อนิจจังทุกขังอนัตตาจากกายกับจิตเราจะรูโทท้โลกสมุทัยนิโรธมรรู้จากกายจากกายกับจิตแต่ถ้าจิตมันเลยเถิดไปจนไม่มีกายแล้วไม่มีอารมณ์สิ่งรู้ปัญญาไม่เกิดท่านเรียกว่าจิตมันหลงเข้าไปสู่สมถะทางใดที่ถูกต้อง ทางที่ถูกต้องก็คือให้จิบรู้อยู่กับตัวตลอดเวลาแต่เราบังคับไม่ได้ถ้าเจ็บมันรู้อยู่กับตัวเนี่ยมันก็จะเป็นขมันไปเองแต่บางครั้งเมื่อมันรู้อยู่กับตัวนานเข้าก็ทิ้งตัวเข้าไปยู่สู่สู่ความไม่มีตัวเหมือนกันมันเหมือนกันกับเรานอนหลับทอดทอดปัญหาต่อไปนั่งสมาธิเหมือนใจโูกมัดอยู่กับปลายจมูก อาการช่วยเคล็ดผ่าเสือใจโูกมีอาการเมื่อวัอนกัดโูกมัดอยู่จีบลายสมุกเพราะเราตั้งศูนย์ไว้ที่ปลายสมุกเมื่อเจตสงบมันไปเกิดมั่นตรงที่ฐานที่ตั้งอันนั้นสติไปรู้อยู่ที่ตรงนั้นเจตจะเลิกอยูที่ตรงนั้นหนักเข้ามันก็ติดอยู่ที่ตรงนั้นท่านเรียกว่าภาวนาจิตในเบื้องต้นการภาวนาต้องทําจิตให้จิตกับอารมณ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เหนียวแน่นก่อน อย่างท่านตั้งใจว่าจะทำสติโลดอยู่ที่ปลายสมุกโลดสึกอย่ตรงที่ลมผ่านออกลมผ่านเข้าเมื่อจิตเริ่มมีความสงบความมั่นคงของจิตมันจะยึดมั่นอยู่ตรงจุดที่ท่านตั้งเอาไว้เราจะมีอาการเมือนับถูกมัดติดไว้ที่ตรงนั้นนั้นเป็นอาการของจิตยิดอารมณภาวนาแล้วบางครั้งเหมือนไม่มีตนมีตัว ทีนี้ถ้าจิตมันสงบแล้วเหี้ยตรงไปมันปล่อยวางความรู้สึกว่ามีตนมีตัวตัวหายไปลมหายใจหายไปในที่สุดจังหลือแต่จิตสงบนิ่งว่างสว่างอยู่เพียงดวงเดียวในตอนนี้ผู้ถามว่าแต่พยายามแล้วเลิกโลดยอยู่ตลอดเวลาใจเหมือนล้นติ่งลงเมื่อเราพยายามแล้วเลิกโลดอยู่ตลอดเวลากายมันก็ยังอยู่ ลมหายใจก็ยังอยู่ถ้าเราตั้งใจกพยายามระลึกได้กายยังอยู่ถ้ากายหายไปเราพยายามระลึกไม่ได้เพราะจิตนอมันทิ้งร่างกายไปแล้วมันไม่มีเครื่องมือที่จะใช้เลยเถิดไปกว่านั้นมันก็เอาแต่นิ่งอย่างเดียวเดี๋ยวมันไปเยอะจะเรียบลายจมูกนั่นดีแล้วให้มีสติกำหนดรู้อยู่ที่ตรงนั้นอย่าไปลบควนมัน เพราะขณะที่จิตไปเยอะเกินที่ปลายจะบุกมันเป็นเองของมันปล่อยให้มันเป็นไปเองถ้าหากว่าเราไปเกิดเอกใจขึ้นมาแล้วเราตกใจแล้วสมาธิมันจะถอนเมื่อสมาธิขอนแล้วเราก็ต้องพยายามทําไปใหม่ทีนี้การภาวนานี่ถ้าหากว่า เ, เราไม่เข้าข่มจิตมากเกินไปไม่บังคับจิตมากเกินไปแล้วก็ไม่อยากต้อเห็นน่นนี่ ภาวนาเลยยึดอารมณ์คู่ของใจภาวนาด้วยไปเมื่อจิตสงบตัวไปแม้จะเห็นนิมิตต่างๆจิตก็ไม่เกิดความกลัวไม่ตกใจผููภาวนาจะได้สติเป็นอัตโนมัติโตอยู่เส ม, มอว่าสิ่งนี้เป็นเพียงอารมณ์ของจิตเท่านั้นอันนี้เป็นคำตอบของปัญหานี้ <c oughs>